Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.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 ถ้าไม่ออกมามันก็ไม่เห็นนะมันก็ไม่รู้ต้องออกมาซักก่อนนะันหนึ่งจะรูนะ้ถ้ายังเข้าไปอยู่มันก็ไม่มีทางจะรู้ก็เหมือนกับเราอยู่ในศาลาเนี่ยนะสาราไก่เนี่ยมันยากเลยนะที่จะรู้รูปพรรณสันฐานของศาลาเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งความสูงมันสูงเท่าไหรนะ่จนกว่าเราจะออกมาจาก สารลาพอเราออกแล้วเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเราก็จะรู้รูปพรร์สันฐานเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะอาจารย์ทรงเสิยงก็ได้พูดถึงอดีตของสาราไก่ที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าสาราไก่หลายคนสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าทำไมมันชื่อสาราไก่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 ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าสเสน่ห์ของสาลาไก่เดิมคือว่ามันมีชานที่ยื่นออกมาพ้นพ้นหลังคาทาั้งด้านาทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือสารานี่หันหน้าไปทางถนนเนี่ยนะทางเล็กๆเนี่ยแต่ก่อนมันคือทางสายหลักนะที่ชาวบ้านก็จะมาแต่ก่อนเนี่ยมัน อันนี้เป็นศาลาศาลาไก่เป็นศาลาหลังเดียวก็ว่าได้ของวัดป่าสุกโตตอนที่ธรรมามาปีสองหกเนี่ยศาลาหน้าเนี่ยมันมีแค่หลังคากับเสานะยังใช้การอะไรไม่ได้การทำวัดสนุนการฉันเนี่ยพิธีต่างต่างทั้งแร ง, งปวนเนี่ยทาที่นี่ทำที่ศาลาหลังนี้ที่เรียกว่าเป็นศาลาไก่ก็เพราะว่า เ, เวลา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 มีไก่มากถึงร้อยหรือถึงสองร้อยตัวแล้วไก่นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะคอยหาข้าวตามลานที่อยู่รอบศาลามันเข้ามาข้างในเลยเข้ามาในศาลาเลยนะมาหาอาหารแล้วก็ตอนหลังก็มาวางไข่นะแล้วก็มาฟักไข่กันในศาลานี้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยนะ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 พอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าจะหาประโยชน์จากมันให้ได้และหาประโยชน์อย่างแรกก็คือว่าให้หมั่นรู้ให้หมั่นรู้เมื่อตอนคำน่ำนะก็ได้พูดไปนะเรื่องความใฝ่รู้สู้สิ่งยากนะแล้วก็บอกว่าในความใฝ่รู้สู้สิ่งยากเนี่ยมันไม่ใช่เป็น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 เป็นผู้ใฝ่รู้หรือขยันรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็รู้นะรู้เรียกว่ารู้แต่พึพืๆเลยนะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือลบอันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์จากมันแล้วเป็นการใช้ประโยชน์นะไม่เสียของแม้แต่เวลาหลงนะก็รู้นะรู้ว่าหลงเนี่ยนะอันนี้ได้ประโยชน์แล้วอันนี้แหละเป็นความหมายหนึ่งที่หลวงพ่อเรียกว่าเปลี่ยนลงให้เป็นรู้นะ เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วจันออย ก, ก็อธิบายนะว่าเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้หมายความว่ายังไงนะจากหลงก็กลับมารู้นะอันนี้ก็เป็นความหมายนึงความหมายนี้คือว่ารู้ว่าหลงนะแค่รู้ว่าหลงเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นจากความหลงละเป็นการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่หมันรู้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 มันสอนให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรี่เป็นของเราเลยนะความเจ็บป่วยก็สอนนะว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ถ้าเราถ้าเราขยันรู้ฝ่ายรู้แบบนี้เนี่ยนะเราจะได้กำไรนะปัญญาจะเกิดตลอดเวลาจะไม่มัวแต่เศร้าโศกฟูมงายขับแค้นใจ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 ถ้าไปถุงน้ำแหลมเป็นไงเจ็บเวลาเจอน้นาทุเรียนทิ่มเนี่ยคนโง่นะจะทิ้งทุเรียนไปหรืออาจจะด่าทุเรียนไอ้ธเรียนระยำนะแต่คนฉลาดนี่ทำไงก็จะผ่าทุเรียนเพื่อเอาเนื้อที่อร่อยนะ ในทุกเรียนเนี่ยมีของดีในทุกขก็มีธรรมที่หลวงพ่อมเคียบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกเนี่ยคืออนันนี้ทุกเนี่ยมันซ่อนความไม่ทุกอยู่มันซ่อนกุญแจที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกขถ้าเรามันศึกษามันดูมันรู้มันพิจารณาทุกเราจะเห็นตัวสมุทยัยใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรา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 ถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นมันเนี่ยไม่ค่อยไปเป็นนะเราก็จะเข้าใจนะสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนพูดไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพียงแค่ใยรู้อย่างเดียวเนี่ยนะขยันรู้เนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยถ้าเรา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 ก็พอสมควรกับเวลาน ะ, ะกะ็ยุติเท่านี้